สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตทั้งที่สามสบแปดเรื่องคนชั่วและคนเลวโทจะนะพระเจ้าในเช้า ว, วันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่หกข้อที่สิบสองถึงข้อที่สิบห้าก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาต่อไปนะครับผมขอแก้ไขเมื่อวานนี้ที่พิมพ์ผิดนะครับสุภาษิตบทที่หกนะครับข้อที่หกไม่ใช่สิบหกข้อหกครับ ขออนุญาตแก้ไขนิดหนึ่งนะครับโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าสุภา ษ, ษ, ษิตบทที่หกข้อสิบสองถึงสิบห้าคนเหลวซาาและชั่วร้ายผู้พูดจะลดเลี้ยวผู้ขยิบตาขยับเท้ากระดิกนิ้วส่งสัญญาณคิดอ่านทำการชั่วร้ายจากจิตใจคิดกฏตรยตยุแยงแต่แข็งรั่วเสมอฉะนั้นหายณะจึงมาถึงพวกเขาอย่างฉับพลันพวกเขาแตกสลาย เกินเยียวยาในชั่วพิปตาพี่น้องครับพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้หนักหนาสาหัสนะครับและชี้ให้เราทั้งหลายและวังและสังเกตและออกห่างนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า keep distance ก็คือว่าออกห่างรักษาระยะห่างนะครับของคนชั่วร้ายประเภทนี้วิธีการชั่วร้ายของคนเลวทามประเภทนี้เกินเยียวยากับกระทํากับคนอื่นอย่างไม่มีอย่างอาย คนพวกนี้นะครับในพมพีถือว่าเป็นคนที่ไร้ค่าก็คือไม่มีราคาภาษาอังกฤษใช้ว่า worthless แปลว่าไม่มีราคาคนคนนี้เที่ยวไปโกหกโดยใช้วาจาลดเลี้ยวเคี้ยวคดประดิษฐ์ประดอยทำให้คนเข้าใจผิดพมพีบอกว่าเขาขยิบตาขยับเท้าและกระดิกนิว้วอันหมายถึงภาษ า, า, าท่าทางครับการใช้ภาษาท่าทางส่งสัญญาณรับ ให้กับพักพวกที่ร่วมทำการชั่วด้วยกันเพื่อที่จะหลอกลวงคนอื่นเพื่อที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดเพื่อที่จะให้สิ่งต่างนั้นดำเนินไปตามความต้องการของตัวเองอันนี้คือวิธีการของคนชั่วร้ายที่ส่งสัญญาณกันไปส่งสัญญาณกันมาเพื่อที่จะทำลายคนของพระเจ้าที่นะครับในการหลอกลวงในการคดโกง ในการประดิษฐ์ความชั่วร้ายด้วยจิตใจที่ต่อประเแรงท่ามีถือว่าเป็นการกระทำที่เลวสามต่าช้าคนพวกนี้นั้นใช้เวลาในการคิดคำพูดใช้เวลาในการคิดวิธีการใช้ในเวลาใช้เวลาในการคิดท่าทางการส่งสัญญาณต่างๆจนกระทั่งเป็นธรรมชาติความคิดของเขากับคำพูดของเขานั้นไม่ตรงกัน นั่นหมายความว่าความตั้งใจหรือใจของเขานั้นก็หลอกลวงในขณะที่คำพูดของเขานั้นดูสวยงามเพระนันครับจิตใจจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความเร็วอย่างแท้จริงซึ่งแสดงออกมาทางหน้าตาทางภาษาท่าทางและการกระทำของคนคนนั้นเพิ่มพีให้เราระวังนะครับอย่างไรก็ตามครับในที่สุดแล้วคนชั่วและคนเร็วสามนี้ จะถูกเปิดเผยและจะได้รับการพิพากษาจากพระเจ้าการพิพากษาจากพระเจ้านั้นคืออะไรครับอยู่ในข้อที่สิบห้าเพราะฉะนั้นความหายนนจะมาถึงเขาอย่างปัจจุบันทันด่วนฉับพลันนั่นเองเขาจะแตกอย่างซ่อมไม่ได้เราเห็นนะครับว่าในที่สุดนั้นพฤติกรรมพฤติการของคนชั่วและเหลวซามนี้จะถูกเปิดเผยและจะได้รับการพิพากษาการพิพากษาจากพระเจ้า ซึ่งก็คือความหายนะความหายณะนี้นะครับจะมาถึงเขาอย่างปัจจุบันทันด่วนซึ่งอาจจะเป็นภัยธรรมชาติหรือโรคภัยไข้เจ็บหรือการเข้ามาแทรกแซงของพระเจ้าซึ่งถือว่าเป็นการลงโทษจากพระเจ้าแท้จริงแล้วคนเหล่านี้ไม่นับว่าเป็นเครืเตียนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่า ไม่ได้นับว่าเป็นลูกของพระเจ้าเพราะว่าการที่ภาคษาลงโทษนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับคริสเตียนเหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์โรมบทที่แปดข้อที่หนึ่งชีวิตของคนพวกนี้จะแตกอย่างซ่อมไม่ได้เกินเยียวยาและแหลกสลายในชั่วพริบตาเดียวในเวลาไม่นานครับพริบตาเดียวคนพวกนี้จะยืนอยู่ไม่ได้ คนพวกนี้นั้นจัดอยู่ในประเภทเจ้าเล่ห์เพทุบายภาษาอังกฤษใช้คำว่า t r i ก k y people สาเหตุที่ต้องใช้การขยิบตาส่งสัญญาณล้ก็คือความกลัวครับความกลัวเรื่องอะไรครับความกลัวที่จะต้องถูกเปิดเผยความชั่วในขณะเดียวกันครับเป็นการซ่อนความตั้งใจเพื่อที่จะโกหกเพื่อที่จะโกงเพื่อที่จะหลอกลวงหรือทาร้ายผู้อื่นอย่างจงใจ <c oughs> กลับมาดูนะครับในข้อที่สิบสี่ คนพวกนี้จะเป็นพวกที่ชอบประดิษฐ์ความชั่วร้ายด้วยใจตลกตะแหลงคําว่าประดิษฐ์นั้นมีความหมายว่าบรรจงสร้างประดิษฐ์นะครับประดิษฐ์ประดอยบรรจงสร้างภาษาอังกฤษนะครับใช้คําว่าวางแผนนะครับวางแผนชั่วแล้วก็ด้วยใจตลกตะแหลงก็คือหมายความถึงใจที่วิปริตทางด้านศีิยธรรมใจที่บิดเบี้ยวใจที่ไม่ตรงใจคดเพราะฉะนั้น คนที่ใจคดก็วันๆก็คิดแต่คอยประดิษฐ์ประดอยความชั่วร้ายและที่สําคัญก็คือว่าสร้างความขัดแย้งหรือใช้คําว่าหวานความแตกเร้าวครับการสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นอย่างจงใจทําให้คนเห็นผิดเป็นชอบทําให้คนเข้าใจผิดกันสร้างความแตกแยกและจงใจที่จะใช้ความแตกแยกนั้นเป็นประโยชน์แต่ตัวเองสร้างและหาผลประโยชน์ใส่ตนคนเหล่านี้ครับพระคัมภีร์บอกว่า ต้องหอยหางจะต้องระวังจะต้องสังเกตให้ออกคนเหล่านี้ธรรมชาติของเขานนั้นเป็นคนชั่วร้ายทั้งจิตใจคำพูดและการกระทำความคิดของเขานั้นจมปลักอยู่กับการคิดชั่วการคิดร้ายคิดเห็นแก่ตัวและไม่ใช่ผู้สร้างสันติเขาทำให้เกิดการต่อสู้โจมตีกันเป็นผู้เผยแพร่แทนที่จะเป็นข่าวประเสือเป็นผู้เผยแพร่ข่าว แห่งความหายนะก็คือหวานความแตกเราคนเหล่านี้จะพบกับความหายนะด้วยตัวเองครับอย่างปัจจุบันทันด่วนเหมือนกับพบพบกับขโมยในเวลากลางคืนโดยไม่คาดฝันเขาจะพบกับการลงโทษและการพิพากษาของพระเจ้าเมื่อเวลาของเขาสิ้นสุดลงเวลาที่พระเจ้าอนุญาตให้เขารบกวนคนของพงสิ้นสุดลงไม่ว่าคนเหล่านี้จะพูดจาหวานหูขนาดไหนจะประดิษฐ์ประดอยทาที่ชื่นชม หรือการเข้าใจผิดขนาดไหนแต่ในที่สุดเมื่อถึงเวลาความจริงจะถูกเปิดเผยออกมาเหมือนกับภาษิตนะครับที่ผมอยากจะสรุปในเช้าวันนี้ว่า Action speaks louder than words Action speaks louder than words แปลว่าการกระทำนั้นมันดังกว่าคำพูดไม่ว่าเราจะพูดอย่างไรไม่ว่าเราจะมีวาจาที่คดเคี้ยวประดิษฐ์ประดอยวาจาที่สวยงาม ขนาดไหนแต่ถึงเวลาครับความจริงก็จะปรากฏว่าคนคนนี้คนเหล่านี้เป็นคนชั่วร้ายซึ่งพระคัมภีร์สอนเราให้เราถอยห่างระมัดระวังและสังเกตคนไว้ค่าเช่นนี้อามนีน